บุรีรัมย์ธนาคารกรุงไทยสาขาบุรีรัมย์เลขที่บัญชี 308-0770-102 หรือร่วมสมทบทุนการจัดสร้างได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและวัดใกล้บ้านพุทธมนทนจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ศูนย์กลางการศึกษาของพระพุทธศาสนาการปฏิบัติและเผยแพ่พระพุทธศาสนาศูนย์กลางการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมศูนย์รวมจิตใจอันดีงามของชาว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 I'm sorry. สั่งสนซ้ำึง กันผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทังบ้านนะครับท่านโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนําเรื่องราวสาร่ารู้มาพูดมาคุยกันนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่มีการเปิดประชุมสภาซึ่งตรงนี้มีวาระเกี่ยวกับเรื่องอของ การอภิปรายไว้วงใจซึ่งตรงนี้ในฝ่ายรัฐบาลก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมกันนเะมื่อวันที่27่สิพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับที่ทําเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายจุ่งตรีก็บอกว่าได้กันกําชับในที่ประชุมของคอรมอนะครับในวันที่26พฤศจิกายนให้ทุกกระทรวงเตรียมพร้อมรับมือการอภิปรายไม่วังใจไปแล้วนะครับพักร่วมรัฐบาลก็เตรียมนะครับเตรียม ผลงานของของรัฐบาลก็คงไม่มีปัญหานะครับนะเพราะว่าตรงนี้ในในส่วนของฝ่ายคา้านก็ก็ทำหน้าที่ไปนะตามตามระบบรัฐบาลก็คงจะต้องตอบก็ยืนยันว่ายังมีมีเอกภาพนะครมีเอกภาพนในส่วนของของรัฐบาลนะก็คงจะเตรียงเตรียมตัวเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องธรรมดาแหละครับในในระบบรัฐสภ า, าก็มีการตรวจสอบมีการทวงดุนกันนะครับนะก็เป็น เ ป, เ, ปเป็นการทาหน้าที่ของของแต่ละฝ่ายนะครับ ว, ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในส่วนของอาการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของของเศรษฐกิจเนี่ยก็กำลังดำเนินการากันอยู่นะครับนะในหลายหลายส่วนนะครับก็มาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขเศรษฐกิจกรตุ้นเศรษฐกิจ น, นำออกมา ใช่นะครับนะแต่ว่าก็ยังยังต้องมีการปรปับปรุงกันไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคงจะต้องดูนะครับว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันกันบ้างในส่วนของคณะกรรมการนะครับนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีการประชุมกันไปเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนนะครับซึ่งก็มีกรรมการชุดใหม่แล้วครับที่มีนายสุรยิยะชึงรุ่งเรืองกิจนัตี อุสาหกรรมเป็นประธานคณะกรรมการวัฒนลายก็มีมติเกี่ยวกับร่วมกันนะครับของคณะกรรมการมีการทบทวนมติเดิมเมื่อวันที่22ตุลาคมคือ2 2ตุลาคมนี่คณะกรรมการชุดนั้นให้มีการแบนสมสารเคมีที่ใช้ทั้งด้านการเกษตรนะโดยเริ่มตั้งแต่ปีใหม่นี้เลยนะครับหนึ่าคมปรากฏว่ามีการทบทวนกันใหม่นะครับแล้วก็มีการ บอกว่ามีการยืดเวลาออกไปนะครับในการที่เลิกใช้คือพาราคอร์ตและก็คลอฟอรีฟอร์ดนะซึ่งเป็นวัตถุอันตรายนะครับนะซึ่งกม็มีการขยายบอกว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่หนึ่งมิถุนายนปีหน้าครับปี2063จากเดิมก็คือกำหนดไว้หนึ่งธันวา2062อนะครับก็ต้องรอให้กรมวิชาการเกษตร จะทำมาตรการรองรับในการหาสารทดแทนนะหรืออาจจะมีวิธีอื่นที่เหมาะสมม า, มามานะครับเพื่อที่จะมาทดแทนสารดังเก่านะครับตอนนี้นี่บอกว่าสารเคมีดังเก่าตกค้างอยู่ในประเทศประมาณ 2,000 มาตันนะครับนะตอนนี้นะครับนะซึ่งก็ยังเกษตรก ร, ร, กรนี่ก็ยังถ้าทามีมติเยืดออกไปก็ยังใช้ได้อยู่จนถึงเดือนมิถุนายนศกหน้านะครับนะ ละอีอย่างหนึ่งก็คือสำหรับไกลโฟเศตซึ่งเป็นสารอีกตัวนึงนี้ก็ไม่ได้แบนการใช้นะครับนะกรรมการมีมติกลับนะแต่ให้จำกัดการใช้นะตามมติคณะวัตถุอันตรายนะครับเมื่อวันที่ยีบสามพฤษภาคมก็คือสามารถใช้ได้ในพืชหกชนิดก็คืออ้อยอยางพาราข้าวโพดปลาล์มมันสำปะหลังและก็ไม้ผลนะครับเนื่องจาก นายสุริยะบอกว่าร6 1ประเทศยังคงใช้สารตัวนี้นะครับก็มีมีแบนเพียง9ประเทศนะครับซึ่งนะเพราะว่าถ้าถ้ามีการแบนก็จะกระทบอะไรก็มีเหตุผลว่ากันไปนะครับนะเพราะตรงนี้นี่ก็มีการทบทวนมติกันใหม่นะครับในในส่วนของการใช้สารซึ่งนะตรงนี้นี่ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับนะก็มีเหตุผลกันในส่วนของ กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับนะก็ในส่วนของพักรวม ร, รัฐบาลอย่างภูมิใจไทยนี่ก็คัดค้านแล้วครับนะก็อยากให้แบนนะทั้งหมดรวมทั้ง NGO นะองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพส่วนนะทางด้านซีกนะในส่วนของเกษตรก ร, ร, กรนะบางส่วนก็อยากบอกให้ ใ, หใช้ต่อไปซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องเอาเหตุเอาผลมามาม า, มาถกมาเถียงกันละครับนะเพื่อให้เกิดนะประโยชน์ต่อผู้ผู้บริโภคนะครับเพราะว่าที่ที่สคัญก็คือ ผู้บริโภคนี่อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่นะครับเพราะต้องต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้เนี่ยจะจะสลายตัวหรือว่าอย่างอย่างซึมซับอยู่ในพืชผักนะซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องดูแหะครับนะหน่วยงานที่ค ง, งคงจะต้องมามาพูดมามาคุยกันนะว่าว่ า, วาจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนีใน้ในส่วนของรัฐบาลพยายามที่จ ะ, ะมีการ มาสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของชาวนาเกี่ยวกับเรื่องของราคาข้าวนะเพื่อที่จะให้ราคานี่สูงขึ้นนะครับนะเพราะถ้าราคาข้าวสูงขึ้นนี่ก็จะทำให้เศรษฐกิจของาในในฐานรากชาวไร่ชาวนาดีขึ้นนะก็จะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวซึ่งจากการเปิดเผยของนายวิชัยโภชนกกจอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ราคาข้าวในช่วง อันนี้นะครับก็ได้เลยจุดต่ําสุดขึ้นมาแล้วนะครับราคาข้าวนะจะดีขึ้นนะโดยเอาราคาข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ตันละประมาณ 15,300 ถึง 15,400 หาพั่บาทด้วยอย่างงั้นนะครับนะแล้วก็ข้าวเปลือกหอมมะลิที่อยู่นอกพื้นที่นะหลักก็จะประมาณราคา 14,800 หมนส้อครับข้าวเปลือกเจ้าก็ตันละประมาณ 7,500 พนะข้าวเปลือก หอมปฐุมธานีก็ตันละ9ก้0พนเ 9,500 บาทนะข้าวเปลือกเหนียวก็ตันละประมาณ 15,000 านะครับซึ่งนี่นี่ก็เป็นตัวเลขของทางการของกรมการค้าภายในที่ที่ชี้นะครับตอนนี้นี่ก็บอกว่าราคาข้าวเปลือกนี่ก็จะปรับตัวสูงขึ้นทุกชนิดนะเพราะว่าผลผลิตตอนนี้ออกสู่ตลาดเกินครึ่งแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็คงจะต้อง ดูแลครับแต่ทำให้ราคาเนี่ยสูงขึ้นได้อย่างไรก็คงจะต้องมีการไปหาตลาดข้าวใหม่ๆนะครับนะในนอกภูมิภาคซึ่งเราต้องแข่งราคากันในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่ทมีข้าวคุณภาพดีอย่างเช่นเวียดนาม น, นะครับในส่วนของกัมพูชาด้วยนะครับนะซึ่งพมา่าลาวอะไรต่างเนี่ยก็เป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกแข่งกับเราคงจะต้องดูด้วยนะครับดูเกี่ยวกับเรื่องของ มาตรการค่าเงินบาทถ้าแข็งตัวเนี่ยนะครับราคาข้าวเราก็จะแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านก็จะจะแข่งไม่ได้นะครับคงจะต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินบาทนะต้องให้ให้อ่อนตัวลงมาหน่อยหนึ่งนะครับนะผลการการส่งออกก็จะได้สูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้นี่คงคงจะต้องดูคงจะต้องดูแนหะ ะ, ะครับราคาข้าวราคามันสําปะหลังยางพาราแล้วก็ปั๊มน้ํามันซึ่งซ่งมีผลนะครับต่อต่อเศรษฐกิจนะของของพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ นะครับนะตอนนี้นี่ก็มีการเริ่มมีการปรับในเรื่องของปลามปลามน้ำมันนี่มีการทําน้ํามันชนิดใหม่กันขึ้นมานะใช้น้ํามันปลามาผสมนะเราก็จะเริ่มเห็นนะครับ ม, มีน้ํามันเบยี่สเนี่ยเบนซินดีเซลนะครับนะซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ํามันดีเซลปกตินะลิตรละประมาณสามบาทตอนนี้ก็ ในส่วนของเกษตรกรหรือว่าคนขับรถนะที่ใช้ดีเซลก็หันมาใชนะก้ก็ถือว่าประหยัดนะครับนะก็เริ่มที่จะเอามาทําก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วครับนะจะทําให้ราคาน้ํามันปาล์มเนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นเป็นการช่วยเกษตรกรมารับฟังเพลงสักเพลงนะครับก่อนที่จะมาพูดมาคุยกั น, นครับ สุอยู่มากมาย มาพูดมาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการาปรับปรุงสิ่งต่เรื่องของสินค้าทางการเกษตรนะครับที่จะช่วยเหลือชาวบ้านนะครับนะซึ่งาการนำเอาน้ำมันปาล์มมาผสมในในในส่วนของน้ำมันดีเซลนี่ก็เป็ น, เ ป, นเป็นทางออกที่ ท, ที่ที่เข้าเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับนะเพราะ ผู้คนก็ใช้น้ำมันกันมากนะครับรถยนต์ในบ้านเราถ้ามีการเอามาผสมนะครับแล้วราคาถูกลงนี่ก็จะจะทำให้เกษต ร, รกรราคาปาล์มอาจจะขยับขึ้นจะทําให้เกษต ร, รกรนี่สามารถที่มีไรายได้เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะก็น่าจะมีการส่งเสริมนะครับใ ห, ให้ใช้ให้ให้มากขึ้นนะครับให้คนมาแต่ว่ารถที่ใช้ได้ก็คงจะเป็น รถรุ่นใหม่นะครับแล้รถรุ่นเิมใหม่รถรุ่นเก่านะเครื่องดีเซลนี่อาจะยังยังใช้ไม่ได้นะครับในส่วนของการประชุมสภาท่านที่ติดตามการถ่ายทอดการประชุมสภาอาจจะเห็นกาั น, นทำหน้านที่นะของของสอสอฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับก็มีการตรวจสอบกันนะครับนะก็เป็น เ, น เ, นเรื่องธรรมดาเมื่อวันวันที่27พฤศจิกายน ครับมีกรณีสภาล่มครั้งแรกใ น, ในรอบของการประชุมที่ผ่านมาในกรณีที่มีกำลังมีการพิจารณาวาระยะติเร่งด่วนเพืนะ่อที่จะให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อศึกษาผลกระทบจากการนะการใชนะ้การกระทาประกาศนะการใช้คำสั่งคอสชหรือกว่าการใช้อำนาจตามมาตรา44นะครับนะก็ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่ง ในส่วนของเสนอให้มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาศึกษาว่ามีผลกระทบหรือไม่ซึ่งผลจากการโหวตนะครับโหวตในที่ประชุมของสภาปรากฏว่าในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยชนะฝ่ายรัฐบาลกันไปนะครับนะด้วยคะแนน236ต่อ231นะครับก็ มีการงดออกเสียงสองเสียงก็ทำให้ชนะในส่วนของฝ่ายรัฐบาลไปห้าเสียงนะครับนะซึ่งก็ก็รัฐบาลกับฝ่ายค้านได้คะแนนเสียงก็เฉียดเฉิวกันอยู่แล้วนะครับที่บอกว่าเป็นรัฐบาลปีน้ำนะก็จะทําให้เกิดในส่วนของวิปฝ่ายรัฐบาลคือนายวิรัติรัตนเศสก็แก้เกมเสนอให้มีการนับคะแนนใหม่นะซึ่งสสอนี่บางบางส่วนนี่อาจจะ เผ่อมาออกไปทําธุระนอกสภาก็ได้นะครับนะหลังจากอาจจะต้องมีการเรียกตัวมาโหวตกันแต่ปรากฏว่าก็มีการาถกเถียงกันยาวนะครับว่าโหวตไปแล้วนะอาจจะขอโหวตใหม่หรือไม่เนี่ยฝ่ายค้านก็ค้านก็นกมีการโต้เถียงกันนะครับซึ่งปรากฏว่าในส่วนของประธานจะให้โหวตใหม่นะก็ทำให้ฝ่ายค้านนี่ไม่เข้าประชุมนะสภาก็ทําให้ สภาเสียงองค์ประชุมไม่ครบนะก็เกิดกรณีสภาล่มนะก็คือประธานประชุมต่อไม่ได้แล้วครับประธานก็ต้องสั่งยุตินะก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นครั้งแรกนะนะก็ ก, ก, ก, ก, ก็มีการถกการเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งกรรมธิการขึ้นมาศึกษาผลกระทบของการใช้คำสั่งนะครับตามมอ4กใ็ในสมัยคอสชแล้วครับนะเพราะในตรงนี้นี่ก็นะการประชุมสภานี่ก็ทำให้ ชาวบ้านได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนะครับนะว่าเป็นอ ย, อย่างไรกันบ้างนะครับในส่วนนี้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีการนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยได้เดินสายไปไประชุมร่วมกับผู้นำนะระดับสูงของเกาะฮ่องกงนะครับในการร่วม ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจร่วมกันนะในช่วงวันที่ 28-29 พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการตกลงนะเซ็น MOU ร่วมกัน6ฉบับนะระหว่างไทยกับฮ่องกงนะร่วมกันนะกับในส่วนนี้นะครับว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตนะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของฮ่องกงเนี่ยมามาอย่างประเทศไทยนะอย่าง ในส่วนของ EEC ของเราเนี่ยซึ่งตรงนี้นี่ก็ก เ, ป เ, ปเป็นผลดีกับประเทศไทยเราครับจากการเปิดเผยของนายกอบศักดิ์ผู้ตระกูลซึ่งเป็นรองเลขาธิการนายงตรีฝ่ายการเมืองบอกว่าเป็นที่29พฤศจิกายนนีน้นางแครรี่แลมผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงก็จะเดินทางมายัางประเทศไทยเพื่อพบกับพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายงตรีนะครับแล้วก็บอกว่าจะมีการร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงไทยฮ่องกงนะเป็นเป็นครั้งแรกบอกว่างั้นนะครับแล้วก็นายสมคิดจาจุติศรีพิทักษรองนายงตรีก็ในฐานะหัวหนะ้าทีมของรัฐบาลไทยก็จะร่วมด้วยแล้วก็จะมีการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ6ฉบับนะครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือในการพัฒนาทุกด้านนะักระวัง ไทยกับฮ่องกงคือเราก็หวังว่าในส่วนนี้นักธุรกิจนะของฮ่องกงนะก็จะมาลงทุนในในประเทศไทยของเราคือเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าฮ่องกงเป็นเป็นศูนย์กลางการการค้าการการลงทุนนะครับนะแล้วก็เป็นด่านหน้าของของจีนนะครับในการที่ระบายสินค้าสู่ตลาดโลกนั่นแหละครับนะฮ่องกงเพราะฉะนั้นถ้าในส่วนของนักธุรกิจมาม า, มาลงทุนนะในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไฮเทคต่างๆนะในะแถบเขตอุตสาหกรรมพิเศษภาคตะวันออกก็จะเป็นส่งผลดีต่อต่อประเทศไทยไทยของเราแหละครับนะเพราะาไทยเรานี่คงจะต้องมีการอัพเกรดเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจให้สูงขึ้ น, นครับนะเพราะว่าเราจะเน้นอุตสาหกรรมที่เป็นเน้นแรงงานราคาถูกค่าแรงถูกนี่คงไม่ได้เพราะว่าจะคงจะแข่งประเทศเพื่อนบ้านยัง มาเขาม ก, กูชาไม่ได้นะครับนะเพราะว่าประเทศเหล่านั้นนี่ค่าแรงถูกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่อาจจะต้องมีการพัฒนาทักษะนะครับของของแรงงานของเรานะฮะให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ลงทุนในอุตสาหกรรมที่เน้นใช้เทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอีกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์บ้างนะครับนะไฟฟ้ามือถือหรือยานยนต์อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีการ ใ น, นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นนะครับซึ่งก็ตรงนี้นี่คงจะต้องมีการวางแผนกันดีๆนะครับในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะครับนะในส่วนของรัฐบาลรวมทั้งสถาบันที่มีการผลิตฝีมือแรงงานนะทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆแล้ววิท ย, ย, ย์นะะทยยนะครับนะที่จะต้องผลิตนะักศึกษาบัณฑิตที่มีความรูนะ้เกี่ยวกับเรื่องของ เทคโนโลยีมีทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานในแวดวงอุตสาหกรรมเนี่ยกันให้มากขึ้นนะครับนะเพราะเราจะเห็นตัวอย่างอย่างเช่นจีนอย่างสิงคโปร์อย่างเ ก, กาหลีใต้ญี่ปุ่นนี่เขาเน้นผลิตนะที่รองรับทางด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกันกันไปไกลแล้วคงจะต้องของเราก็คงจะมาเน้นกันเรื่องนี้นะครับนะเพื่อที่จะ ให้เราสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะขวัญบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดคุณธา น, านันต้องขอลาท่า น, นไปก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ พี่ร อ, อน้องตพยาบานพี่ต้องการหารรอพี่รอรักมาเป็นยารอพี่ร้องรักเป็นยาใจาโอจนยัางนี้แล้วรักจะมีได้อย่างไรพอจะมีรักแล้วต้องร้องหา อยากจนไร่คนจะมองรองแต่ความเงอยกเงาคนอย่างเราเศร้าจนคนลืมมันอย่างเราเศร้า So I. จุดเ็หามเคิลเฮิร์